วันไหนคุณใช้เวลานอนหกชั่วโมงก็แปลว่าวันนั้นคุณเหลือเวลา18ดชั่วโมงในการลืมตาตื่นคิดเป็นหนึ่งในสีของวันหากนอนวันละหกชั่วโมงไปทั้งชีวิตก็แปลว่ามีอายุทั้งหมดเท่าไหร่ให้หักออกหนึ่งในสี่เช่นสมมุติว่าอายุไขของคุณคือ80สเอาเข้าจริง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 อย่างครับไม่ใช่แค่นั้นถ้าแต่ละวันคุณเอาแต่เฝ้าเสียดายอดีตเป็นเวลาสักสามชั่วโมงแล้วใช้เวลาอีกร่วมสามชั่วโมงในการฟุ้งซ่านถึงอนาคตซริริรวมแล้วคุณปล่อยให้อีกหชั่วโมงหายไปเปล่าๆโดยไม่มีการใช้ชีวิตแต่อย่างใดเพราะการใช้ชีวิตคือการเอาปัจจุบัน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 จึงเหลือเวลาจริงๆไว้ใช้ชีวิตเพียงครึ่งหนึ่งของอายุไขถ้านึกว่าตัวเลขนี้เกินจริงก็ลองเฝ้าสังเกตกันเอาเองนับดูว่าเฉลี่ยแล้วคุณนอนกี่ชั่วโมงแล้วหานาฬิกามาจับเวลาว่าคุณอยากปล่อยใจให้เหมือลอยไปหาอดีตกับอนาคตรอบละกี่นาทีกว่าที่จะดึงสติกมาอยู่กับเนื้อตัวตรงนี้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 ต้องรีบแก้ใหม่สั่งตัวเองทันทีอย่ามัวสมมุติว่าย้อนเวลาได้จะแก้อะไรดีแต่สมมุติว่าถ้าสำนึกได้เดี๋ยวนี้มีความคิดไหนให้เปลี่ยนบ้างอีกอย่างคือการตกลงกับตัวเองว่า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 อาการตาสว่างที่เกิดขึ้นจะช่วยให้คุณรู้ชัดว่าเสียงใครบั่นทอนกําลังใจเราก็ไม่เท่าเสียงในหัวบั่นทอนกาลังใจตัวเองหลังจากตาสว่างมากพอคุณจะพบว่าตัวเองใช้ชีวิตได้คุ้มขึ้นและตรหนักว่าชีวิตที่คุ้มที่สุดคือชีวิตที่มีแต่ปัจจุบันดีด อยู่ในใจมากที่สุดไม่ปล่อยให้ใจกรรมอดีตเน่าๆตลอดจนอนาคตเสียเสียไว้อย่างศูนย์เปล่าแม้เมื่อตาสว่างแล้วจะเหลือเวลาอีกเพียงหนึ่งวันในชีวิตนี้ก็จะเป็นเวลาหนึ่งวันจริงๆกลั่นเอาประโยชน์จากทุกนาทีให้มากที่สุดไม่หยุดชีวิตอยู่กับการห่วงไปข้างหลัง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 ประเสริฐกว่าคนไม่พิจารณาเห็นทางดับทุกได้ถาวรที่มีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีผู้พิจารณาเห็นธรรมะขั้นสูงสุดมีชีวิตอยู่วันเดียวประเสริฐกว่าคนไม่พิจารณาเห็นธรรมะขั้นสูงสุดที่มีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปี